ที่ประเทศอังกฤษนะกับสกอตแลนด์ก็มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยนะยังชีพด้วยการเลี้ยงแกะนะเพราะฝรัง่งนี่เขากินเนื้อแกะกันแลแกะที่เขาเรียนเป็นฝูงเนี่ยเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะไม่ได้ขังไว้ในกรงคราวนี้ปัญหาคือว่าในธรรมชาติเนี่ยมันก็มีศัตรูนะ ที่เป็นอันตรายต่อฝูงแกะนะโดยเพราะาลูกแกะนะที่พึ่งคลอดหรือตัวเล็กๆสตัตว์ตที่ว่านี่คือหมาจิ้งจอกนะหมาป่าในอังกฤษเนี่ยนะป่าเนี่ยมันก็เรียกว่ามีสิงสารสัตว์เยอะนะอย่าว่าแต่ในชนุทเลยแั้แตงในเมืองอย่างลอนดอนนี่ก็มีบางทีก็มีคนเห็น หมาป่าหมาจิ้งจอกบงที่ก็เห็นมีเพราะว่าเขาอนุรักษ์ธรรมชาติไว้แม้กระทั่งป่าก็นีก็สามารถจะอยู่ติดเมืองได้ยิ่งชนบทไกลๆนี่สิ่งสารสั์ก็เยอะแล้วพวกหมาป่าหมาจิ้งจอกนี่ก็ชอบมากินลูกแกะนี่เป็นอาหาร นั้นทำยังไงนะฝรั่งเขาก็เลยเลี้ยงหมานะเป็นหมาที่ฝึกเอาไว้โดยเฉพาะเลยเป็นหมาเฝ้าแกะนะหมานี่ก็ทำหน้าที่ไล่นะเวลามีหมาป่าหมาจิงจอกมาด้อมด้อมมองมอ ง, มองนะแถวนั่นเนี่ยนะ หมาพวกนี้มันก็จะไวนะั้นได้กลิ่นมันก็จะไปไล่ก็ทำให้แก่เนี่ยรวมทั้งลูกแก่นี่ปลอดภัยแต่ตอนหลังมันมีปัญหาเกิดขึ้นมีศัตรูตัวใหม่ชนิดใหม่เกิดขึ้นนะอันนี้คือนกอินซีนะอินซีทะเลซึ่งเดิมก็ ในบางแห่งก็สูนพันธ์ไปแล้วนะอย่างในสกอตแลนด์นี่นกอินทรีทะเลก็สูญพันธ์ไปหรือเกือบสูญพันนะแต่ตอนหลังเขาก็พยายามฟื้นฟูอนุรักษ์นะนกอินทรีทะเลก็กลับมานกอินทรีทะเลในตัวมันใหญ่นะเวลามันกลางปีเนี่ยยาวเนี่ยเกือบ2เมตรครึ่งนะตัวมันใหญ่และแข็งแรงมากและ ต, ตอนหลังมันก็รู้นะว่าแกะเนี่ยนะโดยเพาะลูกแกะเนี่ยเป็นอาหาร ที่ง่ายมากสำหรับมันมันก็มาโฉบกินโฉบเอารูปแกะหรือบางทีก็แกะตัวรุ่นกระทงเนี่ยไปเป็นอาหารครั้ น, นี้หมาเนี่ยที่เขาฝึกมาเนี่ยเขาฝึกมาเฉพาะไล่พวกหมาป่าพวกหมาจริงจอแต่ครันนี้พอมามี อ่าศัตรูตัวใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคำถามว่าทำยังไงนะจะให้หมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยรู้ว่าอินซีเนี่ยนะเป็นอันตรายแล้วก็ไวนะเวลาเห็นมันเนี่ยบินมาเนี่ยนะเดี๋วไม่ทันจะโชบนะ ลูกแก่เลยนี่หมานี่ก็ต้องสามารถจะเห่าไล่พวกน ก, <ม>กอินทรีได้แล้วก็มีคนหนึ่งเขาก็ใช้วิธีการสอนนะสอนหมาแต่ก่อนก็ใช้ดโรดร์นะใช้โดรนแล้วก็ติดรูปอินทรีคอยบินโฉบไปโฉบมาแต่ว่าวิธีนี้สอนหมาก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าโดรนเนี่ยมันไม่เหมือนอ่า นอกอินทรนะีของจริงนะก็เลยมีคนเอาเนี่ยเอาเหยียวนะฝึกเหยียวจนเชื่องเลยนะแล้วเอามาสอนหมาปกติเหยียวเนี่ยนะมันก็ตัวมันก็พอๆกับอินซรีนะตัวย่อมกว่าแล้วก็ถ้าเป็นเหยียวป่าเนี่ยมันก็ ก็เอาพวกลูกแกะเป็นอาหารเหมือนกันนะแต่ว่าเดี่ยวที่เขาเอามาฝึกมานี่เป็นเดี่ยวที่เชื่องแล้วก็มาฝึกนะให้มันบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ทำท่าจะโฉบลงมาแล้วก็กสอนหมาว่าเนี่ยถ้ามันมีสัตว์รูปร่างแบบนี้เนี่ยยุบบินว่อนอยู่บนฟ้านี่เนี่ย ให้จับตาดูให้ดีถ้ามันบินลงมาโชบนี้ต้องขับไล่มาไปนะก็สายเยี่ยวนี่แหละเป็นครูนะรวมทั้งสอนให้เยี่ยวเนี่ยลองขยิบขย้านะขย้ำซากสัตว์ให้หมาดูนะให้หมารู้วเนี่ยไอสัตว์หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะมันกินแกะนะ่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มันมาอยู่ใ ก, ใกล้ๆนะ ให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อแก่คือถ้าไม่สอนแบบนี้นี่หมาไม่รู้นะหมามันก็คิดแต่จะไล่หมาป่าอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่เห็นว่าไอ้นกอินทรีนี่เป็นภัยก็ต้องอาศัยเยี่ยวนี่แหละนะซึ่งเป็นเหมือนกับอินทรีรุ่นน้องนะหรือว่าเป็นน้องๆองอินทรีเนี่ยมาสอนให้หมาเนี่ยรู้ว่าเนี่ย ไอสัตว์หน้าตาแบบนี้นี่นะน่ากลัวนะเจ้ามีหน้าที่ต้องขับไล่มันเพราะว่าไม่งั้นมันกินแกะของเจ้าเนี่ยเป็นอาหารเพราะว่าได้ผลนะหมานี่พอน้เดียวเนี่ยสอน ม, มันไม่นามมันก็รู้แล้วรู้หน้าที่แล้วรู้ว่าไอสัตว ที่มีปีกแบบนี้นี่มันอันตรายเพราะนัเวลามีนกอินทรีบินหรือโฉบมาเนี่ยหมานี่มันไม่ยอมเลยนะแต่ก่อนมันก็เฉยนะแต่ตอนนี้มันไม่ยอมแล้วมันจะวิ่งนะวิ่งไล่เห่านะแต่ก็หมาส่วนใหญ่ก็ไม่รอนะให้นกอินทรีโฉบลงมานะแค่มันบินลอย อยู่บนฟ้านี่หมานี่ก็จับจ้องมองแล้วเรื่อนี้ก็ฉลาด น, นะเ อ, เอาเอายวเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูของแพะเนี่ยของแกะเนี่ยเอามาสอนเพื่อป้องกันนะผูงแกะนะในสิ่งที่มันเป็นภัยเนี่ยบางทีก็ามาใช้ประโยชน์ได้นะเพื่อปกป้องนะสิ่งที่เรา เห็นว่าเป็นอันตรายมาดูเนี่ยในใจเราเนี่ยนะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อใจเราคือกิเลสนะคืออารมณ์อกุศลไอ้พวกนี้เนี่ยนะถ้าเรารู้จักใช้มันนะหรือใช้มันดีๆนะมันก็เป็นประโยชน์นะเอากิเลสมาสอนใจนะว่ากิเลสเนี่ยมันมีโทษอย่างไรบ้างเวลามี อารมณกุศลเนี่ยเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดเนี่ยความโลภเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันนำมาสอนใจได้นะสอนใจให้เห็นว่ามันเป็นโทษอย่างไรเช่นความโกรธเนี่ยมันทำให้จิตใจรุ่มร้อนอย่างไรในแง่นี้ก็ทำให้คนได้รู้ว่าเนี่ยเวลาคนหนึ่งโกรธนี่เขาทุกข์อย่างไรบ้างเวลาคนหนึ่งเขาเศร้าเขาทุกข์อย่างไรบ้าง เพราะฉะราอย่าไปทำให้เขาโกรธจะทำให้เขาเศร้าหรือว่าสอนตัวเองด้วยนะว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยเป็นโทษอย่างไรแล้วก็จะได้รักษาใจให้ยวงห่างแต่ว่าไปเนี่ยกิเลสพวกนี้เนี่ยหรืออารมณ์พวกนี้มันสามารถจะสอนใจให้เห็นคุณค่าของสติหรือว่าฝึกสติก็ได้นะเอามาฝึกสติให้มารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อเชื่อได้ได สติได้ขับไล่หรือว่าปกป้องใจไม่ให้อารมณ์พวกนี้มาครอบงําหรือว่ามาบีบคั้นสติเราเนี่ยนะหลวงพ่อเห็นต้องใช้ว่าเป็นนักศึกษานะสตินี่คือนักศึกษาแล้วมันสามารถจเจริญรู้ได้นะแม้กระทั้งจากกิเลส จ, จากอารมณ์อกุศลเรียนรู้เพื่ออะไรเรีเยนรู้เพื่อทียดได้รู้เท่าทันนะพอมีกิเลสเกิดขึ้นก็เอามาใช้สอนสติสอนจิต ให้มีสติรู้ทันจะได้ปกป้องใจไม่ให้อารมณ์พวกนี้เ ข, ข้มามาครอบงาหรือถ้าเรียกภาษาชาบ้านคือขับไล่มันออกไปแต่จริงไม่ต้องขับไล่นะแค่รู้ทันนี่มันก็เพลิแลวเหมือนกับไม้พอมันเหา่านกอนนี่สีนอินรีย ก, ก็ไปแล้วนะไม่มาต่อย่ยด้วยเพราะว่ารู้ทันซะแล้วงั้นเราก็ต้องรู้จักใช้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นโทษนะให้เป็นคุณ สิ่งที่เป็นโทษต่อใจก็สามารถฝึกให้เป็นคุณต่อใจได้เมื่อกสัตว์ที่เป็นโทษต่อแกันี่ก็มาสอนเพื่อปกป้องแกะให้ปลอดภัยได้